สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหารคุณชอบเล่าวันนี้ในหมวดของเรื่องเกี่ยวกับป่าผมมีเรื่องที่เขาเล่าว่ามาเล่าให้ฟังต่อนะครับมันเป็นเรื่องตำนานของพรานบุญตาผู้สู้เสือเรื่องที่จะเล่านี้ไม่อาจจะยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่คิดว่าเนื้อหาของเรื่องนี้ท่านผู้ฟังอาจจะฟังกันเพื่อได้รับความรู้และความบันเทิงได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณส40ปีก่อนโน้นในป่าดงของบ้านหาดแพงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายหลายชนิดเช่นละมั่งละองคเก้งกวางเนื้อสายหมูป่าเสือโคร่งเสือดาวและสัตว์อื่นอื่นอีกมากมายชาวบ้านหาดแพงนั้นมักจะเป็นพรานปืนอาวุธปืนที่ใช้ยิงสัตว์ในสมัยนั้นก็จะเป็นปืนแก๊ปปืนคาบศิลาคือปืนเพลิง หน้าไม้และนั่งก็คือตะข่ายดักเก้งหอกและเหลาเป็นต้นวิธีจับสัตว์ก็มีหลายวิธีคือ 1. โหสัตโดยให้พรานปืนไปสกัดยิงอยู่ชายป่าหรือภายดอนแล้วก็ให้คนเข้าไปไล่สัตว์ที่อยู่อาศัยในป่านั้นให้ออกไปหาพรานที่ดักอยู่ข้างหน้าคนไล่เรียกว่าแล้งคนที่ให้สัญญาณเรียกว่าหัวโยงคนที่นั่งสกัดคอยยิงสัตว์เรียกว่าพราน 2. อหันางเหมือนกันกันกบหัปืนแต่หันางใช้นั่งหรือตะข่ายขึงดักสัตว์แทนพรานปืนคนที่เข้าไปไล่สัตว์อยู่ในป่าเรียกว่าไทยโดนคนที่ส่งเสียงสัญญาณเรียกว่าโยงคนที่เฝ้านั่งเรียกว่าคุณถือไม้โป้งเป้งการจับสัตว์แบบนี้ถือว่าจับเป็นสัตว์ที่จับได้ก็จะมีเก้งหมูป่าเป็นต้น 3. นั่งห้างเป็นการไปทําห้างอยู่บนต้นไม้ ในที่ที่มีสัตว์ไปกินอาหารในเวลากลางคืนเช่นหนองน้ําต้นมะขามป้อมต้นหมากสมอหรือกินดินปูงพรานจะไปนั่งอยู่บนห้างในเวลากลางคืนเดินหงายและสัตว์ก็จะมากินอาหารก็จะใช้ปืนยิงสัตว์ที่เคยยิงได้ก็มีเก้งหมูป่าละมั่งและละอองสี่ 4. ลัดป่าโดยใช้วิธีเดินไปตามแนวป่าในเวลาเช้าตรู่หรือเวลาใกล้จะค่ําตามถิ่นที่มีสัตว์ออกหากิน โดยมากจะพบเก้งการลัดป่านี้จะใช้อาวุธปืนหรือหน้าไม้เป็นอาวุธสำหรับยิงสัตว์เมื่อปีพุทธศักราช2480ในฤ ด, ดูแลง้งระหว่างเดือนมีนาคมมีพรานปืน4คนคือพรานบุญตาตายังหยุดพรานสีเทาพัสนาวงพรานกินามีดและพรานพิมพ์บุบสิริได้เช็คชวนกันเข้าไปนั่งห้างเพื่อดักยิงสัตว์ที่จะลงมากินน้าในหนองน้ากลางป่า ฤดูแล้งน้ําทุกแห่งตามหุ่ยหนองก็จะแห้งไปเกือบหมดคงเหลือแต่หนองน้ำสองสามแห่งเท่านั้นสัตว์ป่าในแถบนั้นก็จะลงไปกินน้ํากันเป็นประจำแต่ละหนองพรานก็ไปทําห้างไปสําหรับดักยิงสัตว์อยู่ก่อนแล้วแต่ละครั้งก็เคยได้ยิงเก้งและหมูป่าหลายตัวมาแล้วในตอนเย็นวันนั้นพรานบุญตาพร้อมกับเพื่อนพรานได้ออกไปนั่งห้างตามเคยเมื่อไปถึงหนองน้ําแล้วพรานบุญตาจึงสั่งให้เพื่อนพรานสีทา ไปนั่งห้างที่หนองพงโพดพรานพิมพ์ไปนั่งห้างที่หนองญ้าปล้องพรานกิให้ไปนั่งห้างที่หนองทับควายส่วนพรานบุญตาที่เป็นหัวหน้าจะไปนั่งที่หนองทางเกวียนพอไปถึงก็เห็นน้ําในหนองแห้งงวดไปหมดแล้วจึงเปลี่ยนใจไปเดินลัดป่าเพื่อสแสวงหาสัตว์ที่ออกหากินในตอนใกล้จะค่าแต่ในเย็นนั้นได้เดินไปตามแนวป่าแนวดอนตั้งหลายแห่งก็ไม่พบเนื้อสัตว์ใดๆ เวลาค่ำจึงกลับไปพักผ่อนที่บ้านคําไฮเมื่อรุ่งวันใหม่พรานบุญตาจึงจงออกไปหาพรานเหล่านั้นคืนนั้นเป็นคืนเดือนงายแสงเดือนข้างขึ้นส่องสว่างไปทั่วบริเวณหนองน้ําและแนวป่าพรานทั้งสามนั่งอยู่บนห้างคอยระวังว่าในคืนนี้จะมีเนื้อสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งลงมากินน้ําอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องเป็นเก้งหรือละมั่งพอเห็นรอยตีนเหยียบย่ําอยู่ตามบริเวณหนองน้ําทั้งรอยเก่าและรอยใหม่อยู่มากมาย แต่ละคนก็คอยจ้องตาอยู่ตลอดทั้งคืนจนไก่ขันจ้าขึ้นหลายหนก็ไม่เห็นเนื้อสัตว์อะไรลงมาอย่างหนองน้ํานั่นเลยเสียงไก่ป่าขันกระชั้นเข้ามาทุกทีมองดูทางทิศ ต, ตะวันออกก็เห็นแสงอาทิตย์สองสว่างขึ้นดึงๆใกล้จะสว่างขึ้นแล้วทุกขณะทานสีทาที่นั่งห้างแถวหนองโพธปรากฏว่าได้ยินเสียงดังของใบตองแห้งในฤดูแล้งดังสวบสาบไปถึงแนวป่าและเสียงนั้นกระตรงไปยังหนองน้ํา ตาของพรานมองไปทางเสียงพร้อมกับมือประคองปืนแก็บอยู่ในมือยกขึ้นพาดราวไม้ที่เตรียมไว้อย่างระมัดระวังทันใดนั้นก็ได้เห็นไอเสือดาวตัวใหญ่ประมาณห้าสอกเศษเดินตรงลงไปยังหนองน้ำและกล้มลงกินน้ำอย่างหิวกระหายพรานสีทาไม่รอช้ารบปืนนกขึ้นแก็บทันทียกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งปากกระบอกตรงปืนไปยังเป้าหมายที่เสือดาวพร้อมกับเหนี่ยวกายปืนอย่างเร็วพลันป้ง เสียงปืนระเบิดดังสะท้านไปทั่วแนวป่าเพื่อนพลานที่นั่งอยู่คนละแห่งได้ยินเสียงปืนชัดเจนและคิดในใจว่าพลานสีทาต้องยิงได้เนื้อเก้งหรือระมั่งอย่างแน่นอนพลานสีทาเมื่อยิงปืนใส่เสือดาวนั้นแล้วก็คอยจ้องไปยังเป้าหมายพอควันปืนจางหายไปก็มองเห็นไอเสือดาวตัวนั้นนอนดิ้นอยู่กับที่ก็รู้ว่าไอเสือดาวถูกยิงเข้าอย่างจังจึงรีบบรรจุดินปืนอีกครั้งหมายจะยิงซ้ำสองแต่ก็ไม่ทันจะได้ยิง พรานสีทาบรรจุดินปืนลงกระบอกปืนยังไม่ทันเสร็จไอ้เสือดาวก็ร้องคุนคลางเปลือกกลิ้งถลนเข้าไปในชายป่าพรานหมายจะยิงปืนดิบเป็นครั้งที่สก็ยิงไม่ทันเสือดาวล้มลุกคลุกคลานและร้องไห้ออกไปเรื่อยๆจึงไม่สามารถจะตามไปประชิดยิงเสือดาวให้ตายขาที่ได้พรานบุญตาที่เป็นหัวหน้าพรานในคืนนั้นที่ได้ไปนอนพักอยู่ที่บ้านคำํำไฮก็ได้ฝันไปว่ามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งใส่เสื้อลายดอกสิ้นลายมัดหมี่ได้หลงรักพรานบุญตา พรบุญตาห้ามปรามเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อฟังเข้ามาหายิ่งห้ามก็ยิ่งเข้ามาเกี้ยวกอดหมายจะเอาไปเป็นผัวพอตื่นขึ้นจึงเล่าให้ญาติฟังญาติก็ทํานายว่าฝันอย่างนี้จะมีโชคถ้าไปหาปลาก็จะได้ปลาตัวใหญ่ถ้าไปยิงเนื้อก็จะได้เนื้อสมปรารถนาเมื่อแก้ฝันเสร็จพลนบุญตาก็รีบลุกจากที่นอนจับปืนคาบศิลาเตรียมตัวออกจากป่าในเวลาเช้ามือนั่นเองพรานบุญตาเดินจากบ้านคาไพ่ไปหน่อยหนึ่ง ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็คิดว่าคงเป็นพรานคนใดคนหนึ่งยิงเนื้อแก้งหรือหมูป่านี่แหละจึงรีบเดินไปยังเสียงปืนนั้นและเมื่อเดินถึงลำห้วยขอนแก่นซึ่งเป็นลำห้วยหนึ่งของหนองป่าหญ้าปล้องน้ําในลำห้วยไม่มีเพราะแห้งขอดด้วยฤดูแรงพรานบุญตาที่ยินเสียงใบไม้ดังเปาะแปะตามลำห้วยแต่มองไม่เห็นอะไรเพราะตะลิ่งห้วยสูงชันและก็มีป่าไม้มาบางัง พรานบุตาจึงเดินเลาะไปตามทางเปลี่ยนจนถึงลำห้วยในขณะเดียวกันนั้นพรานบุญตาก็เตรียมจับปืนคาบสิลากระบอกยาวเก้าคืบ อ, อยู่ในท่าเตรียมพร้อมอย่างนักล่าสัตว์ทั้งหลายพอดีลงไปถึงลำห้วยพรานบุญตาก็เผชิญกับไอเสือดาวอย่างกระชั้นชิดห่างตัวเพียงวาเดียวเท่านั้นพรานบุญตาเห็นดยงนั้นก็กระดกปืนขึ้นจะยิงแต่ไอเสือดาวมันก็ไวเหลือเกินกระโดดคา ป, ปากกระบอกปืนพอดีพรานบุญตาใช้ปืนยันปากเสือไว้จนปากกระบอกปืนเริ่มบี้ ดันกันไปดันกันมาในที่สุดเสือก็คาบปืนหลุดออกจากมือของพรานบุญตาและกระโดดเข้าใส่ทันทีพรานบุญตาก็ชากมีดปแหลมออกมาจากฝากักหมายจะพุ่งแทงเจ้าเสือดาวแต่อเสือดาวมันก็ตะปบมีดจนหลุดมือพรานบุญตาไปอีกตอนนี้พรานบุญตาไม่มีวุฒิเลยเหลืออยู่ในมือแล้วจึงรีบวิ่งหนีหาที่พึ่งโดยอาศัยต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งเป็นต้นหนามแท่งส่วนไอ้เสือดาวนั้นก็ตามติดไปแบบไม่ลดละพรานบุญตาคิดในใจว่าจะหนีไปไหนก็คงไม่รอดแน่ จึงได้หันหน้าเข้าต่อสู้กับไอเสือดาวซะตอนแรกก็ใช้ใบไม้มวยไทยเข้าสู้ด้วยการชกต่อยเตะจนถึงการกอดป้ามกันอย่างพลันวันต้นหนามแท่งที่ใช้กำบังเมื่อแรกมีหนามเยอะแต่ตอนหลังหนามไม่มีเลยไม่รู้ว่าทิ่มแทงเสือหรือว่าพรานบุญตาเข้าไปบ้างฝ่ายเจ้าเสือดาวก็ใช้กรงเล็บขีดขว่วนและกัดพรานบุญตาจนเลือดไหลโชกท่วมร่างกายแต่พรานบุญตาก็ต้องอดทนต่อสู้จนในที่สุดพรานบุญตาก็ใช้มือทั้งสองคว้ากำคอไอเสือดาวได้และบีบคออย่างสุดแรงเกิด ไอเสือดาวหายใจไม่ได้ก็หมดแดงค่อยๆ อ, อ่อนเปลี่ยลงพรานบุญตาได้ทีก็รีบขึ้นขี่หลังไอเสือดาวทันทีมือทั้งสองยังกดบีบคอเสือไว้แน่นจนไอเสือดาวหมดแดงหมอบราบลงกับพื้นและขาดใจตายในที่สุดการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดตั้งแต่เช้าตรู่จนตะวันส่องแสงสว่างไปทั่วทุกขนแห่งเสียงร้องของเสือและเสียงของพรานบุญตาร้องให้ช่วยนั้นได้ยินไปถึงพรานสีทาพรานกิและพรานพิมพ์ทั้งสามจึงรีบเดินทางไปยังเสียงนั้น พอมาถึงก็เห็นสภาพของพรานบุญตาขึ้นนั่งอยู่บนหลังเสือมือทั้งสองยังบีบอยู่ที่คอของเสืออย่างเหนียวแน่นพรานกิจึงรีบชักมีดแทงลงไปที่คอของเสืออีกทันทีแล้วก็ช่วยอพรานบุญตาออกมาจากหลังเสือทีแรกพรานบุญตาบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ดูสภาพแล้วพรานบุญตาเจ็บสาหัสมากเพราะมีบาดแผลอยู่หลายแห่งโดยเฉพาะที่ศีรษะนั้นมีมันสมองเริ่มไหลออกมาทุกคนคิดว่าพรานบุญตาคงจะไม่รอดแน่ จึงเอาผ้าห่มทําเปรหามพรานบุญตามาส่งชาวบ้านได้ยินเสียงต่างพากันมาช่วยใครมียาอะไรก็เอามาเ ย, ยาียยวาที่สุดพรานบุญตาทนพิษบาดแผลไม่ได้ก็สิ้นใจในวันต่อมาและนี่แหละคนเราเมื่อหนีไม่พ้นถึงแม้จะเสี่ยงชีวิตมันก็จะต้องสู้และนี่ก็คือเรื่องราวการเล่าขานถึงตำนานพรานบุญตาผู้สู้เสือนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความบันเทิงจากการฟังนะครับ แล้วก็ได้รับรู้ถึงความรู้ของวิธีของพราในสมัยเก่าส่วนเรื่องที่เล่าจะจริงหรือไม่จริงยังไงแล้วแต่จะคิดครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ